กราบขอการปัจโนตครับแล้วก็ขอการพวกเราเพื่อนสาตมิกทุกท่านเลยเนะจริญพรเนาะพวกเราไม่ฉีอุบาสกอุบาสิกาทุกๆุกท่านก็ไม่ถึงสวดธรรมจักแล้วก็ก็ตึงเราบางคนเขียนเนาะรำเขียนนั้นก็ย่อความธรรมจัก ท่านก็เย้าความว่าถ้าเห็นไม่เข้าไปเป็นก็พ้นทุกเ <c> ก <oughs> ิดทำไมจักใช่ไหมก็จะมีที่จะบอกบอกว่าคือทุกเป็นอย่างไงนเนาะทุกให้เรากําหนดรู้ใช่ไหมอย่างเงี้ยทุกให้เรากําหนดรู้กําหนดรู้เออ เราทำได้แล้วร อ, ออรอยะเนาะเราทำได้แล้วนเนี้ยก็เรียกว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นเรียกเป็นสามขั้นตอนเนาะในอริยาาสัจทั้งสี่ทุกเหตุให้เกิดทุกเนาะความก้าวล่วงจากทุกแล้วก็ขนทางเนาะอริยมรรคนั้นก็เหมือนกันบว่าพระพุทธเจ้าก็ บอกเนาะหมายถึงมาอธิบายอธิบายเป็นสมส่วนก็เหมือนกับเวลาพวกเราฟังเทศครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็ฟังฟังเสร็จแล้วก็เอาไปหัดทาทาแล้วเราก็รู้ได้ไมาโอ้เราทําได้แล้วนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือเป็นสขั้นตอนแต่ว่าในสมขั้นตอนตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อมเขียนท่านก็พูดพูดอย่างที่ท่านเคยพูดอยู่เสมอๆนะ เห็นงูงูมันจะกัดเราไหมอย่างเงี้เนาะใช่ไหมอย่างเงี้ยตรงเนี้ยนี่นนคือตรงเนี้ยท่านก็บอกว่าทั้งเห็นเนาะก็ไม่เข้าไม่เป็นมันก็ไม่ไปเป็นก็พ้นอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นคือเป็นก็เรียกว่าในขณะที่เรากําลังหักเนาะกำลังหัดหัดที่จะดูเนาะหัดที่จะรู้สึกตัวหรือหัดดูตรงเนี้ยนี่ก็คือสิ่งที่ ถ้าเราดูใมผลที่เกิดจากการดูก็คือนเนาะราก็เห็นเนาะไม่เห็นเนาะก็เราก็ไม่เข้าไปเป็นอาการที่เกิดขึ้นทั้งสามอาการตรงเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นในในขณะที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างเงี้ยเริ่มเขียนท่า น, นก็จะบอกว่าทำเหตุที่ดีเนาะผลก็ต้องดีนมันเกิดตรงเนี้ยคือสิ่งที่ท่านก็ได้สอนนะ ดิสอนเอาไว้วนนีนี่คือสิ่งที่ก็เรียกว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ได้สรุปประสบการณ์ชีวิตของท่านนะเนาะออกมาเป็นคำสอนที่ให้พวกเราเนี่ยได้ลองเนาะได้ลองนำไปปฏิบัติเนาะแล้วก็โปรดรับผลกันซึ่งตรงนี้นเนี่ย สิ่งที่เราใช้ในการปฏิบัติก็คือเราใช้ความรู้สึกตัวและเมื่อกันที่เราตรวจแลผลเราก็ใช้ความรู้สึกตัวตัวเดียวกันนั่นแหละอย่าง น, นี้นี่คือเป็นสิ่งที่เ็เรียกว่ามันก็เป็นก็เรียกว่ า, เ ป, เ, วาเป็นความสะดวกเนาะเป็นความสะดวกเป็นความสะดวกแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นของของพวกเราทุกคนเนาะ ความรู้สึกตัวของใครเนาะความรู้สึกตัวของใครใคก็เป็นความรู้สึกตัวของคนนั้นก็เหมือนเหมือนกันกับทุกๆคนทุกคนก็มีความรู้สึกตัวสามารถที่จะใช้ใช้ได้อนั้นนั่นคือพอเวลาที่เราปฏิบัติทำกันเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวอาจารยพระจันโนนะก็สอนคนญี่ปุ่นเนาะก็สอนก็สอนเรื่องความรู้สึกตัวนะ ก็พระเจานุกษัตรย์ก็บอกว่าตรงเนี้ย <weight> มันก็เป็นสิ่งที่ที่จําเป็นที่สุดอย่างเงี้ยนะจําเป็นที่สุดก็คือหมายถึงว่าพระเจ้านุกษัตไม่ว่าจําเป็นหรือสมมติว่ามันไม่ต้องพูดอะไรกันมากมันย่อดเนี่ยก็ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นเหตุเนาะเป็นเหตุที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องอยู่คัาคหลงหลงที่จะไปคิดคิดก็เป็นทุกข์กันอย่างเงี้ยนี่ก็คือ สิ่งดีก็ เ, เรียกหลวามเขียนท่งางก็จะบอกเสมอๆนะว่าธรรมาจักกะปะปะตะนสูตรเนี่ย<ม>ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนตัวของธรรมะเนาะธรรมะก็จะเคลื่อนตัวไปจากตรงนี้อย่างเงี้ยเนาะแบบว่าการเคลื่อนตัวของตงัวนี้บางทีหลวงพ่อขวัญท่งางก็จะพูดบอกว่าเหมือนกับรถแทกเตอร์เนาะ ที่หน้าปา่าที่หน้ารถมันก็จะมีใบป่าใช่ไหมพอใบป่าที่ปาดดินไปที่ตรงไหนเนี่ยดินก็จะเรียบไอ้ที่กรุกะกรุกะอยู่ก็จะเรียบไปหมดอย่างเงี้ยนีงก็เทียเที่เป็นเหมือนกับว่าเวลาที่เราใช้สติเนาะใช้ความรู้สึกตัวตรงนี้เป็นตัวนำในการที่เราจะทำเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆตอนนั้นก็ไม่มีอุปสรรคอะไรอย่างนี้ นี่ก็คือสิ่งที่คำว่ า, าอุปสรรคก็คือไม่ไม่มีก็เรียกว่าความเดือดเนื้อร้อนใจตามมาเนาะอย่างนั้นตันนี้หลวงพ่อก็หลวงพ่อก็นึกถึงเนาะานึกถึงชีวิตนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะทําดีอะไรแี่ไหนก็ตามนะนี่วความเดือดเนื้อล้นใจไม่เล็กเม้ไม่ไม่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอนะ อย่างเนี้ยเราก็เคยนึกนะเคยนึกท้อใจนะไม่อยากทําแล้วละ่ะไม่อยากทําแล้วละ่ะในแบบนี้หรืออะไรต่างๆนานาไม่อยากทำไอ้สิ่งที่เราคิดว่าดีนะอย่างนั้นแต่นั่นก็คือท้ายที่สุดเนี่ยหลวงพ่อเองท่านก็ได้มาอธิบายเนาะอธิบายในในการสอนธรรมของท่านอย่างเงี้ยว่าพวกเราเป็นคนที่แบบว่า เชื่อความคิดแล้วก็ทําตามความคิดอย่างเงี้ยสิ่งที่คิดว่าดีเนาะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปลองทําดูก่อนเนาะลองทําดูก่อนใช่ไหมหรือว่าจะดวนสรุปอ่าดวนสรุปลองทําดูก่อนเนาะถ้าหากว่าดีเราก็ทําต่อถ้ามันไม่ดีเราก็ใช่ไหมเราก็ยั้งไว้แก้ไขซ่าอย่างเงี้ยอย่างนั้ น, น, นคือนี่คือสิ่งที่เหมือนกับเมื่อก่อนเราก็ คิดเอาว่าไม่คือดีอย่างนี้นะคิดเอาว่าไม่คือได้มันเป็นชีวิตก็ เ, เป็นอย่างนี้มาตลอดนะคือมันเหมือนกับเอเราไม่มีสติเนี่ยมันก็ขาดก็เรียกว่าขาดความขาดความละเอียดละออมันจะกลายเป็นความประมาทนะพอคิดว่าดีปุ๊บเราก็เพ่งไม่ไม่ใชเพ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเราก็ รีบร้อนเนะะรีบร้อนจัดการไปเลยเรียบร้อนทาไปเลยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแบบนี้ตลอดเวลาตั้งแต่เล็กจนโตอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่เคยจานะไม่เคยจาเราวาแล้วก็นึกถึงเวลาที่สอบเนาะเวลาที่สอบเนี่ยพวกสอบคำนวณสอบเลขสอบอะไรต่างๆตนะั้งแต่เล็กจนโตนะเราก็ประมาทอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเหมือนกับมันเหมือนกับคล้าย คือเรีกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ยากเนาะไม่ยากสําหรับสําหรับหลวงพอ่อหรือจะเรียกว่าง่ายก็ได้อย่างเงี้ยนะเราก็เห็นว่ามันเป็นการง่ายแล้วก็หลวงพ่อก็จะมีเพื่อนเนาะอยู่สองาคนอย่างเงี้ยที่เหมือนกับว่าก็เราก็จะเหมือนกับชวนกันทํากันบ้านชวนกันทํากันบ้านแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือไปหาพวก โจ์อะไรต่างๆนานาเห า, า, านี้มันทาเล่นกันอย่างเงี้ยเนาะมาทําเล่นกันแล้วก็เหมือนกับมันก็คล่องนะเพราะว่ามันโจทย์เวลาที่สอบอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับก็เปลี่ยนคําพูดนิดๆ ห, หน่อยๆแต่ว่ารูปร่างลักษณะของโจทย์ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นนั่คือพอเราเห็นปุ๊บเราก็โอ้ยไอ้ยอย่างเงี้ยเราเคยทํามาแล้วอย่างเงี้ยก็ประมาทเนาะ ออกมาจากห้องเสาว์ที่ไรก็นึกขึ้นได้าทานันดีนะว่าโอ้เราผิดตรงนั้นแล้วนะโอ้เราผิดตรงนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือนี่ก็คือสิ่งที่มันจริงๆมันก็มันก็ง่ายจริงนะเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราประมาทด้วยความที่เราขาดสติพอขาดสติปุ๊บก็เกิดเขาเรียกว่าความไม่รอบคอบนะความไม่รอบคอบเลีบร้อนอย่างเงี้ยเข้ามย แทนที่คือมันไม่ได้ว่ายากเกินที่ทำไอ้การที่ทําผิดก็ไม่ใช่ว่าทําผิดเพราะไม่รู้แต่ทําผิดเพราะรู้นี่ละแต่ว่ามันประมาต์ตัวนั้นเองมันก็เลยทําให้มันไม่หมดจดลัดกลุ่มตั้นแตเล็กจนโตก็เป็นแบบนี้มาตลอดอะไรที่เราคิดว่าเราทําได้เราทําดีอย่างเงี้ยเนาะมันก็ท้ายที่สุดมันก็เดือดนอนเน้อเดือดร้อนใจไม่มากก็น้อยอย่างนั้ น, น, นคือพอเวลาที่มา เรียนรู้เรื่องธรรมะเนาะมาเรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวเรียนรู้เรื่องสติ that, ตก็ม อ, อ, องเห <away> <innovation> ็น ม, life, ตนนนมนา special. ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ค่อยๆเนาะก็เรียกว่าค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆขัดเกลารตัวเองก็มองเห็นเนาะว่ามันมีเรื่องที่เราจะต้องขัดเกลาอเนี่ยอยู่ตลอดทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้เขาเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าแม้กระทั่งวันนี้ก็ตามเนาะเนาะ อันนก็ตามเรื่องของการปลูกต้นไม้เรื่องของการปลูกต้นไม้ก็ต้องขออภัยเนาะขอไปพวกเราบางทีก็พูดกับเราแบบว่าสั้นไปพูดกับเราห้วนไปอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นบะางทีคาแนะนำเนาะอะไรต่างๆก็แนะนำเนาะอย่างเนี้ยแต่ว่านั่นคือมันเป็นคําแนะนําที่อาจจะไม่หมุดจดหลัดกลุ่มก็ทําให้พวกเราเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะทํา ได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าตรงนั้นเองเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ทำหลุมเดียวเนาะพวกเราเกลูกขึ้นไปวันนี้ก็ก็มันพามาเกือบร้อยต้นนะเกือบร้อยต้นก็เยอะอยู่นอะอย่างเนี้ยนะนั่นคือพวกเราก็มีโอกาสได้ทำกันแล้วก็ก็เหมือนกับก็ค่อยๆสรุปบทเรียนกันไปทำหลุมแรกเนาะหลุมสองหลุมสามหลุมสี่แต่ว่าวันนี้ หลวง่ามั่นใจอันหนึ่งก็คือต้นไม้ทุกต้นเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเขาได้น้ำเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพวกเราก็เอาใจใส่ที่จะลดน้ำสำคัญมากเนาะตรงนี้เพราะว่าห่วงพ่นนเขียนด้านบอกบอกว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยให้เหมือนกับอุ้มเด็กลงเปล <c oughs> <c oughs> ให้ลาทนุตนอมแล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ต้นไม้เนี่ยลากข้อเดิน เวลาที่เราลดเราลดน้ําลงไปก็ลากรากกะดินเขาก็จับกันพอลากกะดินก็จับกันเนี่ยเขาก็จะเหมือนกันลากเขาก็เดินต่อไปได้เลยเวลาที่เราปลูกป่ากันที่ที่โูหลงที่ปันป่ามหาวันเนี่ยก็ต้องก็เรียกว่าปลูกนบนภูเขาเนาะโอกาสที่จะลดน้ําต้นไม้ไม่มีเพราะว่าปลูกกันครั้งหนึ่งเนาะก็ประมาณสักสอ0พันหต้นอย่างเงี้ย คนก็อาจจะมากกว่าเราสักประมาณก็เท่าตัวหนึ่งนะสัก60ิคน80ดิคนอะไรเงี้ยก็ปลอกครั้งหนึ่งกันแล้วสองพันกว่าต้นใช้เวลาประมาณสักสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือรอฝนละถ้าฝนตกมา้ก็ดีถ้าฝนไม่ตกมาสองสมันเนี่ยดินไม่จับลากเนาะลากก็ไม่มีคล้ายๆว่า ไม่มีโอกาสที่จะหาหาอาหารเพราะว่าเขาพอเขาแทงลางกออกไปก็ไม่เจอเจอความว่างเนาะแม้กระทั่งไอช่วงระหว่างก้อนดินถึงก้อนดินมันอาจจะห่างกันแค่เซนสองเซนเนี่ยแต่นั่นคือพอเขาเจอความว่างเนี่ยมันก็โอกาสที่ลากจะงอกต่อก็ไม่มีตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พอเวลาที่เราปฏิบัติทำกันหลวงว่าว่าตรงเนี้ยก็จะนนด ท่านก็เทศเนาะเทศในพวกเราเนี่ยละเอียดละออเนาละลเอียดละออนจนกระทั่งหลวงพ่อเองก็ย่งคิดถึงมาโอเทศของพระเจ้าโนดคราวนี้นะถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยจะขอพระาจ้าโนดมาฟังซ้ำํำคือกันที่เหมือนกับว่าครูบาอาจารย์ได้แนะนําความละเอียดละอ อ, อให้เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยได้เดินได้ไม่หลงทิศปิดทาง คือครอบคลุมนะครอบคลุมการเทศของพระเจา้าโนตก็จะเหมือนกับว่าเทศละเอียดตั้งแต่วันแรกเนาะจนกระทั่งถึงเทศสุดท้ายเมื่อเช้านี้เนาะก็เป็นเทศที่เนื่เพราะว่าตรงนั้นก็เป็นการกลั่นประสบการณ์ของพระอาจารย์เนาะคือพระอาจารย์ก็เหมือนกับว่าวันคืนที่ล่วงไปล่วงไปเนี่ยพระอาจารย์ก็มีประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย พระอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าไปลื้อเอาเทศเก่าๆเนาะมาเทศให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งหรืออะไรต่างๆแต่นั้นก็คือมันเป็นเรื่องที่เป็นปัจจุบันเนาะเป็นปัจจุบันก็สิ่งที่พวกเราพูดกันนะพระอาจารย์โน้ตพูดกันก็เป็นสิ่งที่ก็มันก็ก็เรียกว่ามันก็ออกมาจากสิ่งที่พวกเราที่อยู่ต่อหน้าอย่างนี้เนาะเป็นแรงบันดาลใจ ตากระทบพวกเราเนาะก็ตรงนั้นก็พระเจ้านพกคิดเนาะคิดถึงสิ่งต่างๆนานาปรุงแต่งที่จะเอามาพูดกับพวกเราเพื่อให้มันเหมาะสมแล้วก็เข้ากันซึ่งพระเจ้านเองก็บอกเนาะเวลาที่เราฟังเทศตามเทพตามซ d ดีตาม YouTube ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับอย่างนี้เนาะเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยก็คือพวกเราพระเจ้านก็เห็นกันทุกวันเห็นกันทุกวันก็จะเห็นว่า มีอะไรบ้างที่ควรจะต้องบอกกวรจะต้องสอนหรือว่าอะไรก็ตามที่พวกเราตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้ประชาช น, นก็ได้เข้าใจนะว่าเออตอนนี้พวกเราถึงตรงนี้ติดตรงนี้ขัดตรงนั้นอะไรเงี้ยนี่คือนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพอเวลาที่หลวงพ่อก็นึกเทียบเนาะกับการที่หลวงพ่อแนะนำพวกเรามันก็เป็นการแนะนำที่ห้วนสั้นเนาะ พอเว้นสั้นมันก็ไม่หมดจดรัดกลุ่มมันก็ทําให้พวกเราเองก็อาจจะเกิดบุดหิดเอาบ้างคำคําบอกคําสอนของหลวงพ่อที่ไม่ใช่คําบอกคําสอนนะคำแนะนํา <laughs> คําแนะนำของหลวงพ่อ <laughs> ที่แนะนําให้พวกเราปลูกต้นไม้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆ น, นานาเหล่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะ ตรงนี้ก็หลวงพ่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบะการณ์เนาะเป็นประสบะการณ์เรียนรู้หลวงพ่อ ก, ก็อาจจะมีประสบะการณ์เรียนรู้ ก, การปลูกต้นไม้มายมาวานานเนาะเป็น10ปี20ปีอย่างเงี้ยนะประสบะการณ์ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าก็เหมือนกับได้เห็นเนาะว่าเ อ, อถ้าทําแบบนี้แล้วต้นไม้จะเขาจะต่อเขาเรียกว่าต่อชีวิตเข้าไปได้ดีถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยเขาอาจจะชนะการเติบโตไป บางทีต้นไม้นีเวลาที่เขาชะ ง, งักการเติบโตนี้บางทีก็ต้องรออีกปีหนึ่งเนาะอีกปีหนึ่งเหมือนกับว่าบางทีโอกาสเนาะก็เรียกว่าเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยบางทีพอเขาชะ ง, งกักปุ๊บก็เขาก็ต้องหยุดตั้งตัวไปแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยของเขาเรียกว่าของชาวสวนและของคนปลูกต้นไม้หรืออะไรต่างถ้ารากต้นไม้แข็งแรงเนี่ยเนาะตรงนั้นอะต้นไม้ก็จะเติบโตได้ แล้วนี่นคือตรงนี้เนี่ยของพวกเราเนี่ยล่าของเราเนี่ยก็คือสติเนาะลากของเราเนี่ยก็คือความรู้สึกตัวเนาะตรงเนี้ยการที่เราปฏิบัติเนาะการที่เราปฏิบัติกันความเคลื่อนใหวแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งของเราตรงนี้ล่ะมันจะเป็นก็เรียก <Mer g> ว่ามันจะเป็นฐ า, านเนาะที่ทําให้เราเนี่ยไ ด, <tan S 1> ได้เติบโตขึ้นไปข้างหน้าได้ก้าวไปข้างหน้าได้ก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้องเพราะนี้คือมันเป็นเรื่องที่ ครบอาจารย์ก็บอกอยู่เสมอหลวงพ่อกำเทียนก็บอกอยู่เสมอเสมอว่าถ้าพวกเราเนี่ยเหมือนกับว่ามีอะไรอะไรยังไงก็ตามเนี่ยให้กลับมารู้สึกตัวหมือว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยก็ให้กลับมารู้สึกตัวก่อนตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่พอเรากลับมานะถ้าเราพูดกันง่ายๆก็คือกลับมาตั้งสติกลับมาตั้งสติอีกครั้งหนึ่งกลับมาตั้งสติอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ละ เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราก็จะค่อยๆเดินบนเส้นทางบนเส้นทางนี้วันนี้พวกเราเนี่ยบางเพพวกเราก็เหมือนกับว่าใช้ความรู้สึกตัวเราใช้ความรู้สึกตัวปุ๊บเราก็จะได้เห็นเนาะความเป็นไปของกายเห็นความเป็นไปของใจอย่างเงี้ยแต่ว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องเนาะกับความเป็นไปของกายกับความเป็นไปของใจตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลําดับของมันเนาะซึ่งพระอจารโน้เองท่านก็บอกบอกว่า คือท้ายที่สุดเนี่ยลอ ง, ลองสิใช่ไหมอย่างเนี้ยนะคือไม่ว่าจะเป็นความคิดใดๆอะไรยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็เป็นทุกข์คำว่าเขาก็เป็นทุกข์คือความคิดไหนๆก็ตามเนี่ยเขาก็ทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้คําว่าทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้นี่แหละคือคําว่าเป็นทุกข์ <c ười> ทนอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเกิดขึ้นมาอย่างไรยังไงก็ตามเขาก็ต้องดับไปแต่ว่าสิ่งนี้แหละที่อุตตมะบอกว่านี่คือความทุกเนาะ นี ค, ความทุกข์ที่จะมีอยู่ในธรรมะเนาะธรรมะมีในทุกสรรพสิ่งอย่างเงี้ยนี่คือไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ตามอาการเจ็บอาการโปวดที่เกิดกับกายหรืออาการที่เกิดกับใจก็ตามเนี่ยพวกนี้เขาก็มีทุกข์ของเขาเหมือนกันถ้ามีทุกข์ของเขาเนี่ยพระเจ้าโน้นก็บอกว่าเออเราเราลอง ด, ดูซิใช่หมเราลองเหมือนกับว่าเหมือนกับยังอยู่ ต้องอยู่กับเขาอ่ะเนาะอยู they, ่กับเขาไม่ผลักไสเขาเนาะใช่ไหมอย่างนั้นอะอยู่กับเขาเนาะอยู huh ่กับเขาเป็นเพื่อนกับเขาเฉยเฉยอย่างเนี้ยเนาะอย่างนั้นเราลองเราลองลองลองที่จะทําความรู้สึกแบบนี้ดูอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าแรกๆนี่เนาะหลวงพ่อเองก็ดึกถึงตัวเองเห็นความหลงที่ไรเนาะก็จิตจ้าขึ้นมา ที่จาที่นี้เองแล้วก็รู้ว่าไม่ชอบนะไม่ชอบความหลงเพราะไม่ชอบนี่ก็หมายถึงอะไรก็เห็นเขาเนาะเห็นเขาก็ไม่ชอบหน้าเขาอย่างเงี้ยอย่างนั้นแต่นั้นั่นคือถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอุบเบกขานเนาะก็คือการที่เราไม่ไม่ผักไสเนาะการที่เราก็ไม่ได้ตั้ารับไม่ผักไสก็เป็นเพื่อนเขาเนาะ อยู่ด้วยกันไปเดี๋ยวเขาก็อย่างน้อยก็ตามไม่ชา้าก็เร็วเขาก็ต้องเขาก็ต้องไปอยู่ดีเพราะว่าเขาเองเขาก็มีทุกข์อยู่ในตัวซึ่งหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็มีความรู้สึกว่าคําว่าทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้เนาะทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้หลวงพ่อก็มีความรู้สึกว่าเออเด็กๆ เ, เราก็ใช้คําว่าทนไม่ได้นะเพราะทนไม่ได้เราก็อยากเปลี่ยนแปลงทนไม่ได้เราก็อยากเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตรงนั้นเองเนี่ย พอในทางธรรมเนี่ยคำว่ามันผลอยู่อย่างนั้นไม่ได้เนี่ยก็คือมันก็ไม่สามารถที่จะคงอยู่ในสภาพนั้นอยู่ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ก็เรียกให้พวกเราเนี่ยก็ได้ค่อยๆเนาะค่อยๆสังเกตกันค่อยๆปฏิบัติกันค่อยๆสังเก ต, ก, เ ก, ต ก, การที่เราอยู่กับการปฏิบัติต่อเนื่อ ง, อ ย, อ, งยอยู่กับตัวเองเนี่ยการอยู่กับตัวเองเนาะ ก็มันจะเป็นเรื่องที่เราก็เห็นเนาะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างที่ไม่มีอะไรก็มาขัดขวางพอไม่มีอะไรที่จะเข้ามาขัดขวางเนี่ยการปฏิบัติของเราก็จะเหมือนกับมันก็จะทำให้เราได้รู้ได้เห็นเนี่ยได้ได้เขาเรียกว่าได้เร็วขึ้นอย่างเนี้เนานะได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวก็มีกิตอนุ่นต้องทำเดี๋ยวก็มีเรื่องอันนี้ต้องคุยอะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้เนี่ย ตรงนั้นมันก็จะเป็นการที่ขาดจังหวะเนาะการขาดจังหวะอย่างที่พระชโน้ตแ น, นะนําเมื่อวานเนาะใช่ไหมบอกว่าอืมถ้าพวกเราเนี่ยได้สังเกตตัวเองนะว่าพอเวลาที่เราปฏิบัติต่อเนื่องนะได้อย่างมีอารมณ์แล้วเนี่ยเนาะก็ให้พวกเราเนี่ยก็ได้เหมือนกับว่าได้เพียนได้เพียนให้มากขึ้นตอนได้เพีย น, นให้มากขึ้นได้เพียนต่อเนื่องได้มากขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ มีความสำคัญเนาะมีความสาคัญมากๆพระจันทร์นท่านเองท่านก็มีประสบการณ์โดยตรงกับตัวหลวงท่านเองท่านก็ทำแบบนี้ท่านก็แนะนำแบบนี้หลวงพ่อคำเขียนท่านก็เคยแนะนำเนาะท่านก็เคยพูดกันเวลา ท, ลาที่เวลาที่มีกลุ่มปฏิบัติมาหรือว่าเวลาที่พวกเราพระพระอยู่ด้วยกัน เฉพาะเฉพาะพระโยมน้อยๆอะไรเงี้ยหลวงพ่อเขียนท่านก็จะเคยบอกบอกว่านี่อย่างที่พวกเราทํายกยกแยกๆกันเนี่ยนะโอ้หลวงพ่อนะแบบว่าพวกเราทํากันวันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อทำแค่แบบว่าครึ่งวันเท่านั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคือหลวงพ่อเขียนท่านก็บอกว่าเหมือนกับท่านก็เทียบกับการดํานาเนาะการดํานาก็จะดําๆดำดำดำไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างนั้นคือจะไม่มวนมานั่ง It ด, อ, ดออ อ, อ, อ, อหรือจะมานั่งคิดนั่งถามอะไรกันอยู่ว่าเอจะต้องทํายังไงปักตรงแค่ไหนปักเอียงแค่ไหนอะไรเงี้ยต่างๆ่ลงเบอกก็นี่ก็คือเอาเรียกว่าเอากล้าเนาะแบบว่าดาลงไปในดินดําลงไปในดินเดี๋ยวมันก็เต็มผืนอย่างเงี้ยนี่นั่นคือตรงเนี้ยก็จะเห็นภาพเนาะว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความสําเร็จที่งดงามเนี่ยท่านก็ไม่เพียรเนานะไม่เพียรปฏิบัติอย่างที่ ในความเขียนนั้นก็จะใช้คําว่าช่วยโอกาสเนาะช่วยโอกาสดังนั้นนั่นคือก็อยากให้พวกเราเนี่ยก็ได้ก็เรียกว่าไปถึงจุดที่หรือว่าเขียนพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรหรือไปถึงจุดที่เรียกว่าไม่ทุกอย่างนี้นเนาะกันทุกคนล่ะแต่ว่านั้นคือมันก็อยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแค่นึกเอานะก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็คําสอนของระจารย์โนที่สอนพวกเราเนี่ย หนืะมันวม่าละเอียดละเอียดมากๆเลยถ้าพวกเราเอากลับมาฟังซ้าบ้างอะไรบ้างนะพวกเราจะเข้าใจแล้วก็พวกเราก็จะเดินได้ตามเส้นทางอย่างก็เรียกว่าอย่างงดงามแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางกันได้ทุกคนเนาะก็พวกเรากลับพระพร้อมกันอลังสัมาสัมพุทโธภาคาวา พุทธังภาคาวันตังอาภิวาเทมิสวาคัาโตภาคาวาตามโตมธามังนามาสัตตูปติปันโนภาคาวโตสาวาคกสังโคสังทางนามา